พระผู้มีพระภาคตรัสว่านรชนไม่พึงมุ่งมั่นในความเป็นคนพูดเท็จไม่พึงทําความเสน่หาในรูปพึงกาหนดรู้ความถือตัวและพึงประพฤติละเว้นจากความผลักผลันคําว่านรชนไม่พึงมุ่งมั่นในความเป็นคนพูดเท็จอธิบายว่ามุสาวาตรัสเรียกว่าความเป็นคนพูดเท็จ คนบางคนในโลกนี้อยู่ในสภาอยู่ในบริษัทอยู่ท่ามกลางญาติอยู่ท่ามกลางหมู่ทหารหรืออยู่ท่ามกลางราชสำนักถูกเขาอ้างเป็นพยานซักถามว่าท่านรู้สิ่งใดจงกล่าวสิ่งนั้นบุคคลนั้นไม่รู้ก็พูดว่ารู้หรือรู้ก็พูดว่าไม่รู้ไม่เห็นก็พูดว่าเห็นหรือเห็นก็พูดว่าไม่เห็นพูดเท็จทั้งที่รู้เพราะตนเป็นเหตุบ้าง Icana, bum, zat, Mars, พ illa, เพราะบุคคลอื่นเป็นเหตุบ้างเพราะเหตุคือเห็นแก่อามิตเล็กน้อยบ้างนี้ตรัสเรียกว่าความเป็นคนพูดเท็จอีกในหนึ่งมุสาวาดมีได้ด้วยอาการสามอย่างด้วยอาการสี่อย่างด้วยอาการห้าอย่างด้วยอาการหกอย่างด้วยอาการเจ็ดอย่างด้วยอาการแปดอย่างมุสาวาดมีได้ด้วยอาการแปดอย่างเหล่านี้ คำว่านรชนไม่พึงมุ่งมั่นในความเป็นคนพูดเท็จอธิบายว่าไม่พึงดำเนินไปไม่พึงมุ่งมั่นไม่พึงนำไปไม่พึงพาตนไปในความเป็นคนพูดเท็จเพอพึงละบรนเทาทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งความเป็นคนพูดเท็จได้แก่พึงเป็นผู้งดงดเว้นเว้นขาดออกสลัดออกหลุดพ้น ไม่เกี่ยวข้องกับความเป็นคนพูดเท็จมีใจเป็นอิจระจากกิเลสอยู่รวมความว่านารชนไม่พึงมุ่งมั่นในความเป็นคนพูดเท็จคำว่าไม่พึงทำความสเสน่หาในรูปอธิบายว่าคำว่ารูปได้แก่มหาภูตรูปสี่และรูปที่อาศัยมหาภูตรูปสี่คำว่าไม่พึงทำความสเสน่หาในรูปอธิบายว่า ไม่พึงทำความสเสนเ่หาเคยไม่พึงทำควา ม, effects effects effects มพอใจไม่พึงทำความรักไม่พึงทำได้แก่ไม่พึงให้เกิดไม่พึงให้เกิดขึ้นไมไน่พ like ึงให้บังเกิดไม่พึงให้บังเกิดขึ้นซึ่งความกำนัดในรูปรวมความว่าไม่พึงทำความสเสน่หาในรูปว่าด้วยความถือตัวมีในต่างๆคำว่าความถือตัวในคำว่า เพิ่งกำหนดรู้ความถือตัวอธิบายว่าความถือตัวในเดียวคือความที่จิตไฟสูงความถือตัวสองในคือหนึ่งการยกตนสองการข่มผู้อื่นความถือตัวสามในคือหนึ่งความถือตัวว่าเราเลิศ ก, กว่าเขาสองความถือตัวว่าเราเสมอเขาสาความถือตัวว่าเราร่อยกว่าเขา ความถือตัวสี่ในคือหนึ่งเกิดความถือตัวเพราะลาบสองเกิดความถือตัวปพระยศ 3. เกิดความถือตัวเพราะสันเสริญสเกิดความถือตัวเพราะความสุขความถือตัวห้าในคือหนึ่งเกิดความถือตัวว่าเราได้รูปที่ถูกใจสองเกิดความถือตัวว่าเราได้เสียงที่ถูกใจ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 สเกิดความถือตัวเพราะมีลิ้นสมบูรณ์หเกิดความถือตัวเพราะมีกายสมบูรณ hmm. ์ 6. เกิดความถือตัวเพราะมีใจสมบูรณ์ว ค, ค, ว ค, ววความถือตัวเจ็ดในคือหนึ่งความดูหมิ่นสองความดูหมิ่นด้วยอำนาจความถือตัวสความถือตัวว่าเราด้อยกว่าเขาสความถือตัวว่าเราเสมอเขา 5. ความถือตัวว่าเราเลิศกว่าเขา 6. ความถือเราถือเขา 7. ความถือตัวผิดผิดความถือตัวแปดในคือหนึ่งเกิดความถือตัวเพราะได้ลาบสองเกิดความถือตัวว่าตกต่ำเพราะเสื่อมลาบสเกิดความถือตัวเพราะมียศสเกิดความถือตัวว่าตกต่ำเพราะเสื่อมยศ ห้าเกิดความถือตัวพระสันเสริหกเกิดความถือตัวว่าตกต่ำเพราะถูกนินทาเจ็ดเกิดความถือตัวเพราะความสุขแปเกิดความถือตัวว่าตกต่ำเพราะความทุกข์ความถือตัวก้าในคือหนึ่งเป็นผู้เลิกกว่าเขาถือตัวว่าเลิกกว่าเขาสองเป็นผู้เลิกกว่าเขาถือตัวว่าเสมอเขา สเป็นผู้เลิกก่าเขาถือตัวว่าด้อยกว่าเขาสเป็นผู้เสมอเขาถือตัวว่าเลิกก่าเขาห้าเป็นผู้เสมอเขาถือตัวว่าเสมอเขาหเป็นผู้เสมอเขาถือตัวว่าด้อยกวเขาเจ็ 7. เป็นผู้ด้อยกว่าเขาถือตัวว่าเลิกก่าเขา 8. ปเป็นผู้ด้อยกว่าเขาถือตัวว่าเสมอเขา เเป็นผู้ด้อยกว่าเขาถือตัวว่าด้อยกว่าเขาความถือตัวสิบในคือคนบางคนในโลกนี้หนึ่งเกิดความถือตัวพระชาติสองเกิดความถือตัวเพราะโคดและถึงสิบหรือเกิดความถือตัวเพราะสิ่งอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วความถือตัวคุริยาที่ถือตัวภาวะที่ถือตัวความลำพองตน ความถนงตนความเชื่อชูตนเป็นดุจธงความเห่อเหอมิมความที่จิตต้องการเชื่อชูตนเป็นดุจธงเห็นปานนี้นิตรัสเรียกว่าความถือตัวคำว่าพึงกำหนดรู้ความถือตัวอธิบายว่าพึงกำหนดรู้ความถือตัวด้วยปริญญาสามเคยหนึ่งญาตะปริญญา 2. ตีรณะปริญญา 3. าปหานะปริญญา ญาตปริญญาเป็นอย่างไรคือนรชนรู้จักความถือตัวคือรู้เห็นว่านี้ความถือตัวในเดียวคือความที่จิตายสูงนี้ความถือตัวสองในคือหนึ่งการยกตนสองการข่มผู้อื่นนี้ความถือตัวสิบในคนบางคนในโลกนี้หนึ่งเกิดความถือตัวพระชาติสองเกิดความถือตัวพระโคดและถึง หรือเกิดความถือตัวเพราะสิ่งอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วนี้ชื่อว่าญาติปริญญาตีรณปริญญาเป็นอย่างไรคือนรชนทําความถือตัวที่รู้แล้วให้ปรากฏอย่างนี้และพิจารณาความถือตัวโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นของที่ต้องสลัดออกไปนี้ชื่อว่าตีรณปริญญาภหาณปริญญาเป็นอย่างไร นรชนครั้นพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วย่อมละบันเทาทําทให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งความถือตัวนี้ชื่อว่าปหาเนปริญญาคําว่าพึงกําหนดรู้ความถือตัวได้แก่พึงกําหนดรู้ความถือตัวด้วยปริญญาสามเหล่านี้รวมความว่าพึงกําหนดรู้ความถือตัวคําว่าและพึงประพฤติละเว้นจากความผลุนผลัน อธิบายว่าความประพฤติผุนผันเป็นอย่างไรคือความประพฤติด้วยอำนาจราคะของบุคคลผู้กำนัดชื่อว่าความประพฤติผุนผันความประพฤติด้วยอำนาจโทสะของบุคคลผู้ขัดเพืองชื่อว่าความประพฤติผุนผลความประพฤติด้วยอำนาจโมหะของบุคคลผู้หลงชื่อว่าความประพฤติผุนผันความประพฤติด้วยอำนาจความถือตัวของบุคคลผู้ยึดติด ชื่อว ah. ่าความประพฤติผุ้นพลันความประพฤติด้วยอำนาจทิฐิของบุคคลผู้ยึดมั่นทิฐิชื่อว่าความประพฤติผุ้นพลันความประพฤติด้วยอำนาจอุทธะของบุคคลผู้ฟุ้งซ่านชื่อว่าความประพฤติผุ้นพลันความประพฤติด้วยอำนาจวิจิขิชาของบุคคลผู้ลังเลชื่อว่าความประพฤติผุนพลันความประพฤติด้วยอำนาจอนุัยของบุคคลผู้ตกไปในพลังกิเลส ชื่อว่าความประพฤติผุนผันน้ชื่อว่าความประพฤติผุนผันคำว่าและพึงประพฤติละเว้นจากความผุนผันอธิบายว่าพึงเป็นผู้งดงดเวน้นเว้นขาดออกสลัดออกหลุดพ้นไม่เกี่ยวข้องกับความประพฤติผุนผันมีใจเป็นอิจระจากกิเลสอยู่เือประพฤติเ ท, ที่ยวไปเคลื่อนไหวเป็นไปเลี้ยงชีวิตดำเนินไป ยังชีวิตให้ดำเนินไปรวมความว่าและพึงประพฤติละเว้นจากความผุนผันด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่านรชนไม่พึงมุ่งมั่นในความเป็นคนพูดเท็จไม่พึงทำความสเสนหาในรูปพึงกําหนดรู้ความถือตัวและพึงประพฤติละเว้นจากความผุนผันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่า นรชนไม่พึงยินดีสังขารเก่าไม่พึงทำความพอใจสังขารใหม่เมื่อสังขารเสื่อมไปก็ไม่พึงเจ้าโสไม่พึงติดอยู่กับกิเลสเครื่งเกี่ยวข้องคำว่าไม่พึงยินดีสังขารเก่าอธิบายว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นอดีตตราดเรียกว่าสังขารเก่านรชนไม่พึงยินดีคือไม่พึงบ่นถึง ไม่พึงติดใจสังขารที่เป็นอดีตโดยอำนาจตัญหาโดยอำนาจทิฏฐิคือพึงละบันเทวทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งความยินดีความบ่นถึงความติดใจความถือความยึดมั่นความถือมั่นรวมความว่าไม่พึงยินดีสังขารเก่าคาว่าไม่พึงทำความพอใจสังขารใหม่อธิบายว่า รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นปัจจุบันตราเรียกว่าสังขารใหม่นรชนไม่พึงทำความพอใจคือไม่พึงทำความชอบใจไม่พึงทำความรักไม่พึงทำได้แก่ไม่พึงให้เกิดไม่พึงให้เกิดขึ้นไม่พึงให้บังเกิดไม่พึงให้บังเกิดขึ้นซึ่งความกำหนัดในสังขารที่เป็นปัจจุบันด้วยอานาจตันหาด้วยอานาจทิฏฐิ รวมความว่าไม่พึงทำความพอใจในสังขารใหม่คำว่าเมื่อสังขารเสื่อมไปก็ไม่พึงเศร้าโศกอธิบายว่าเมื่อสังขารเสื่อมไปคือเสียไปละไปแปรไปหายไปอันตรธานไปไม่พึงเศร้าโศกคือไม่พึงลำบากไม่พึงยึดมั่นไม่พึงคร่ำครวไม่พึงตีอกพร่ำเพอ้อไม่พึงถึงความหลงไหลได้แก่ เมื่อตาเสื่อมไปคือเสียไปละไปแปรไปหายไปอันตรธานไปเมื่อหูเสื่อมไปคือเสียไปละไปแปรไปหายไปอันตรธานไปเมื่อจมูกลิ้นกายรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะตรกูลหมูคณนะอาวาดลาบยศสันเสริญสุขจีวณบินบาตดเสนาศนะ กิลานปัจจัยเพศสัตว์บริขารก็ไม่พึงเศร้าโศกเพือไม่พึงลำบากไม่พึงยึดมั่นไม่พึงครั่งโคลนไม่พึงตีอกพร่ำเพ้อไม่พึงถึงความหลงไหลรวมความว่าเมื่อสังขารเสื่อมไปก็ไม่พึงเศร้าโศกว่าด้วยกิเลสเครื่องเกี่ยวข้องคําว่าไม่พึงติดอยู่กับกิเลสเครื่องเกี่ยวข้องอธิบายว่าตันหาตรัสเรียกว่า กิเลสเครื่องเกี่ยวข้องได้แก่ความกำหนัดความกาหนัดนักอภิชาอากุศลมูลคือโลภะเพราะเหตุไรตันหาจึงตรัสเรียกว่ากิเลสเครื่องเกี่ยวข้องบุคคลย่อมเกี่ยวข้องคือเกี่ยเกาะถือยึดมั่นถือมั่นรูปย่อมเกี่ยวข้องคือเขี่ยเกาะถือยึดมั่นถือมั่นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคติ การถือกำเนิดปฏิสนธิพบสงสารวัตตะด้วยตัญหาใดเพราะเหตุนั้นตัญหานั้นจึงตรัสเรียกว่ากิเลสเครื่องเกี่ยวข้องคำว่าไม่พึงติดอยู่กับกิเลสเครื่องเกี่ยวข้องอธิบายว่าไม่พึงติดอยู่กับตัญหาเพือพึงละบรรเทาทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งตัญหาได้แก่พึงเป็นผู้งดงดเว้น เว้นขาดออกสลัดออกหลุดพ้นไม่เกี่ยวข้องกับตันหามีใจเป็นอิสระจากกิเลสอยู่รวมความว่าไม่พึงติดอยู่กับกิเลสเครื่องเกี่ยวข้องด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าโนรชนไม่พึงยินดีสังขารเก่าไม่พึงทําความพอใจสังขารใหม่เมื่อสังขารเสื่อมไปก็ไม่พึงเจ้าโศกไม่พึงติดอยู่กับกิเลสเครื่องเกี่ยวข้อง 180. พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเราเรียกความติดใจว่าห่วงน้ําใหญ่เรียกความโลดแล่นว่าความปรารถนาเรียกอารมณ์ว่าความหวั่นไหวเปือกตมคือกามเป็นสภาวะที่ลุล่วงไปได้ยากว่าด้วยตัณหาตรัสเรียกว่าห่วงน้ําใหญ่คําว่าเราเรียกความติดใจว่าห่วงน้ําใหญ่อธิบายว่า ตัณหาตรัสเรียกว่าความติดใจคือความกำหนัดความกำหนัดนักอภิชาอคุศนลมูลคือโลภะตัณหาตรัสเรียกว่าห่วงน้ำใหญ่คือความกำหนัดความกำหนัดนักอภิชาอกุศนลมูลคือโลภะคำว่าเราเรียกความติดใจว่าห่วงน้ำใหญ่อธิบายว่าเราเรียกคือบอกแสดงบัญญัติกาหนดเปิดเผยจาแนก ทำให้ง่ายประกาศความติดใจว่าเป็นห่วงน้ำใหญ่รวมความว่าเราเรียกความติดใจว่าห่วงน้ำใหญ่คำว่าเรียกความโลดแล่นว่าความปรารถนาอธิบายว่าตัณหาตรัสเรียกว่าความโลดแล่นคือความกำหนัดความกำหนัดนักอภิชาอกุสนลมูลคือโลภะตัณหาตรัสเรียกว่าความปรารถนาคือความกาหนัด ความกำหนัดนักอภิชาอากุศสลมูลคือโลภะคำว่าเรียกความโลดแล่นว่าความปรารถนาอธิบายว่าเรียกคือบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายประกาศความโลดแล่นว่าเป็นความปรารถนารวมความว่าเรียกความโลดแล่นว่าความปรารถนาคำว่าเรียกอารมณ์ว่าความวันไหว อธิบายว่าตัณหา muscular, turkey, ed, ณตรัส <ses Muhammad. S 1> เรียกว่าอารมณ์คือความกำหนัดความกำหนัดนักอภิชาอกุศลรมูลคือโลภะตัณหาตรัสเรียกว่าความหวั่นไหวคือความกำหนัดความกำหนัดนักอภิชาอกุศลรมูลคือโลภะรวมความว่าเรียกอารมณ์ว่าความหวั่นไหวคำว่าเปื่อกตมคือกามเป็นสภาวะที่ลุล่วงไปได้ยากอธิบายว่า เปือกต้มคือกามได้แก่ลมคือกามกิเลสคือกามโคลนคือกามความกังวลคือกามเป็นสภาวะที่ลุล่วงไปได้ยากคือก้าวพ้นไปได้ยากข้ามไปได้ยากข้ามพ้นไปได้ยากก้าวล่วงไปได้ยากล่วงเลยไปได้ยากรวมความว่าเปือกต้มคือกามเป็นสภาวะที่ลุล่วงไปได้ยากโดยเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าเราเรียกความติดใจว่าห้วงน้ําใหญ่เรียกความโลดแล่นว่าความปรารถนาเรียกอารมณ์ว่าความหวันไหวเปือกตมคือกรามเป็นสภาวะที่ลุล่วงไปได้ยากหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามุนีเมฆเก้าวล่วงสัจจะเป็นพราหมณ์ดํารงอยู่บนบกมุนีสลัดทิ้งสิ่งทั้งปวงได้แล้ว มุนีนั้นแลเราเรียกว่าผู้สงบคำว่ามุนีไม่ก้าวล่วงสัจจะอธิบายว่าไม่ก้าวล่วงวาจาสัตว์ไม่ก้าวล่วงสัมมาทิฐิไม่ก้าวล่วงอริยมัคมีองแปดคำว่ามุนีอธิบายว่าญาณท่านเรียกว่าโมนะคือความรู้ทั่วกิริยาที่รู้ชัดผู้ก้าวล่วงกิเลสเครื่องคล้องและตัณหาดุจตาขายได้แล้ว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 เเป็็นนนที่ยนนิคำว่าเป็นพราหมณ์อธิบายว่าที่ชื่อว่าเป็นพราหมณ์เพราะลอยทำเจตประการได้แล้วไม่มีตันหาและทิฏฐิอาศัยเป็นผู้มั่นคงบัณฑิตเรียกผู้นั้นว่าเป็นพราหมณ์คำว่าเป็นพราหมณ์ดารงอยู่บนบกอธิบายว่าเป็นพราหมณ์ดารงอยู่บนบกคือดํารงอยู่บนเกาะดํารงอยู่ในที่ป้องกันดารงอยู่ในที่หลีกเรน ดำรงอยู่ในที่พึ่งดำรงอยู่ในที่ไม่มีภัยดำรงอยู่ในที่ไม่จุติดำรงอยู่ในที่ไม่ตายดำรงอยู่ในนิพพานรวมความว่าเป็นพราหมณ์ดำรงอยู่บนบกคําว่ามุนีสลัดทิ้งสิ่งทั้งปวงได้แล้วอธิบายว่าอายตนะสิสองตรัสเรียกว่าสิ่งทั้งปวงคือตาและรูปละถึงใจและธรรมารมณ์ ความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในอายตนะทั้งภายในและภายนอกมุนีนั้นละได้เด็ดขาดแล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทําให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ด้วยเหตุใจแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้สิ่งทั้งปวงเป็นสิ่งที่มุนีนั้นละคลายปล่อยละสลัดทิ้งได้แล้วตัณหาทิฏฐิและมานะ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 คำว่ามุนีนั้นแหละเราเรียกว่าผู้สงบอธิบายว่ามุนีนั้นเราเรียกคือกล่าวบอกแสดงชี้แจงว่าผู้สงบคือเข้าไปสงบสงบเย็นดับสงัดรวมความว่ามุนีนั้นแหละเราเรียกว่าผู้สงบโดยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่ามุนีไม่กล้าล่วงสัจจะเป็นพรามดารงอยู่บนบก มุนีสลัดทิ้งสิ่งทั้งปวงได้แล้วมุนีนั้นแลเราเรียกว่าผู้สงบหนึ่งร้อแปดสิบสองพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามุนีนั้นแลมีความรู้จบเวท ร, รู้ธทมแล้วก็ไม่อาศัยมุนีนั้นอยู่ในโลกโดยชอบย่อมไม่ใฝ่หาใครๆในโลกนี้คําว่ามีความรู้ในคําว่ามุนีนั้นแหลมีความรู้ จบเวทอธิบายว่ามีความรู้คือถึงวิชามีญาณมีปัญญาเครื่องตัดสรู้มีปัญญาแจ่มแจ้งมีปัญญาเครื่องทาลายกิเลสคาว่าจบเวทอธิบายว่าญาในมรรคสีตรัสเรียกว่าเวทเป็นผู้ปราศจากราคะในเวทนาทั้งปวงก้าวล่วงเวทนาทั้งปวงแล้วชื่อว่าผู้จบเวทรวมความว่า มูนีนั้นแหละมีความรู้จบเวทคำว่ารู้แล้วในคำว่ารู้ทาแล้วก็ไม่อาศัยได้แก่รู้แล้วคือทราบแล้วเทียบเคียงแล้วพิจารณาแล้วทำให้กระจางแล้วทำให้แจ่มแจ้งแล้วคือรู้แล้วคือทราบแล้วเทียบเคียงแล้วพิจารณาแล้วทาให้กระจางแล้วทำให้แจ่มแจ้งแล้วว่า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 มุนีละความอาศัยด้วยอำนาจตันหาได้แล้วสลัดทิ้งความอาศัยด้วยอำนาจทิฏฐิได้แล้วไม่อาศัยตาไม่อาศัยหูไม่อาศัยจมูกไม่อาศัยคือไม่ติดแล้วไม่ติดแน่นแล้วไม่ติดพันแล้วไม่ติดใจแล้วออกแล้วสลัดออกแล้วหลุดพ้นแล้วไม่เกี่ยวข้องกับรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินกลิ่นรสโพธิภะที่รับรู้ และธรรมรมที่พึงรู้แจ้งมีใจเป็นอิสระจากกิเลสอยู่รวมความว่ารู้ทำแล้วก็ไม่อายใจคําว่ามุนีนั้นอยู่ในโลกโดยชอบอธิบายว่าความกําหนัดด้วยอํานาจความพอใจในอายตนะทั้งภายในและภายนอกมุนีละได้เด็ดขาดแล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ด้วยเหตุใดแม้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้มูนีชื่อว่าเที่ยวไปอยู่เคลื่อนไหวเป็นไปเลี้ยงชีวิตดำเนินไปยังชีวิตให้ดำเนินไปในโลกโดยชอบปุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขารและอเนชาพิสังขารมูนีละได้เด็ดขาดแล้ว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 คำว่าย่อมไม่ไฝ่หาใครๆในโลกนี้อธิบายว่าตัณหาตรัสเรียกว่าความใฝ่หาคือความกำหนัดความกำหนัดนักอภิชาอากุศลมูลคือโลภะตัณหาที่ตรัสเรียกว่าความใฝ่หานี้มูนีใดละได้แล้วตัดขาดได้แล้วทําให้สงบได้แล้วระงับได้แล้วทาให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟเคยานแล้ว มูนีนั้นย่อมไม่ใฝ่หาใครๆเ ค, คือขสัต์พราหม์แพทย์สูตรพระรหัสวัร ป, ประชิตเทวดาหรือมนุษย์รวมความว่าย่อมไม่ใฝ่หาใครๆ ใ, ในโลกนี้ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่ามุนีนั้นแหลมีความรู้จบเวทรู้ทำแล้วก็ไม่อาศใจมูนีนั้นอยู่ในโลกโดยชอบย่อมไม่ใฝ่หาใครๆ ใ, ในโลกนี้ 183ปสาพระผู้มีพระภาคตรัสว่าผู้ใดข้ามกมและเครื่องข้องที่ล่วงได้ยากในโลกได้แล้วผู้นั้นย่อมไม่เศร้าโศกไม่ละโมบเป็นผู้ตัดกระแสได้แล้วไม่มีเครื่องผูกว่าด้วยกมสองอย่างคำว่าผู้ใดในคำว่าผู้ใดข้ามกมและเครื่องข้องที่ล่วงได้ยากในโลกได้แล้วได้แก่ผู้ใด คือผู้เช่นใดผู้ขนขวายอย่างใดผู้ตั้งใจอย่างใดผู้มีประการอย่างใดผู้ถึงฐานะใดผู้ประกอบด้วยธรรมใดจะเป็นกษัตริย์พรามแพทย์สูตรพรหัสบันปะชิตเทวดาหรือมนุษย์ก็ตามคำว่ากรามได้แก่กรามสองอย่างแบ่งตามหมวดคือหนึ่งวัตถุกรามสองกิเลสกรามเหล่านี้เรียกว่าวัตถุกราม เหล่าน ah. oh ี้เรียกว่ากิเลสกามคําว่าเครื่องข้องได้แก่เครื่องข้องเจ็ดอย่างคือหนึ่งเครื่องข้องคือราคะสองเครื่องข้องคือโทสะสาเครื่องข้องคือโมหะสเครื่องข้องคือมานะห้าเครื่องข้องคือทิฐิหเครื่องข้องคือกิเลสเจ็ดเครื่องข้องคือทุจริต คำว่าในโลกได้แก่ในอบายโลกมนุษยโลกเทวโลกขันธโลกธาตุโลกอยายตนะโลกคำว่าและเครื่องข้องที่ล่วงได้ยากในโลกอธิบายว่าผู้ใดข้ามได้แล้วคือข้ามไปได้แล้วข้ามพ้นได้แล้วก้าวล่วงแล้วล่วงเลยแล้วซึ่งกามและเครื่องข้องที่ละได้ยากคือประพฤติล่วงได้ยากก้าวข้ามได้ยาก ก้าวพ้นได้ยากก้าวล่วงได้ยากประพฤติล่วงได้ยากในโลกแล้วรวมความว่าผู้ใดข้ามกาามและเครื่องข้องที่ล่วงได้ยากในโลกได้แล้วคำว่าผู้นั้นย่อมไม่เศร้าโศกไม่ละโมกอธิบายว่าย่อมไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่แปรผันไปหรือเมื่อสิ่งนั้นแปรผันไปย่อมไม่เศร้าโศกเผอย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลาบากไม่คร่าครวญ ไม่ตีอกพร่ำเพรอไม่ถึงความหลงไหลว่าตาของเราแปรผันไปไม่เจ้าโศกคือไม่ลําบากไม่คร่ําครวญไม่ตีอกพร่ำเพรอะไม่ถึงความหลงไหลว่าหูของเราจมูกของเราลิ้นของเรากายของเรารูปของเราเสียงของเรากลิ่นของเรารสของเราโพธิภะของเราตระกูลของเราหมู่คณะของเรา อาวาสของเราลาบของเรายศของเราชั้นเสริญของเราความสุขของเราจีวรของเราบินทบาทของเราเสนาสนะของเราคีลานปัจใจเพศจัตปรคารของเรามารดาของเราบิดาของเราพี่ชายน้องชายของเราพี่สาวน้องสาวของเราบุตรของเราที่ดาของเรามิตรของเราอมาตของเรา ญาติและผู้ร่วมสายโลหิตของเราแปรผันไปรวมความว่าไม่เศร้าโศกคำว่าไม่ละโมกได้แก่ไม่ละโมกคือไม่มุ่งหวังไม่เข้าไปเพ่งไม่เพ่งถึงไม่เพ่งเลงถึงอีกในหนึ่งผู้นั้นย่อมไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่ต้องเข้าถึงกำเนิดจึงชื่อว่าไม่ละโมกรวมความว่า ผู้นั้นย่อมไม่เศร้าโศกไม่ละโมกว่าด้วยตันหาตรัสเรียกว่ากระแสคาว่าเป็นผู้ตัดกระแสได้แล้วไม่มีเครื่องผูอธิบายว่าตันหาตรัสเรียกว่ากระแสคือความกำหนัดความกำหนัดนักอภิชาอากุศลมูลคือโลภะตันหาที่ตรัสเรียกว่ากระแสนี้ผู้ใดละได้แล้วตัดขาดได้แล้ว ทำให้สงบได้แล้วระ ง, งับได้แล้วทำให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟคือยานแล้วผู้นั้นตรัสเรียกว่าเป็นผู้ตัดกระแสดได้แล้วคาว่าไม่มีเครื่องผูกได้แก่เครื่องผูกเจ็ดอย่างคือหนึ่งเครื่องผูกคือราคะสองเครื่องผูกคือโทสะสเครื่องผูกคือโมหะสเครื่องผูกคือมานะห้าเครื่องผูกคือทิฐิ 6. เครื่องผูกคือกิเลส7เครื่องผูกคือทุจริตเครื่องผูกเหล่านี้ผู้ใดละได้แล้วตัดขาดได้แล้วทําให้สงบได้แล้วระ ง, งับได้แล้วทาให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟคือยานแล้วผู้นั้นตรัสเรียกว่าไม่มีเครื่องผูกรวมความว่าเป็นผู้ตัดกระแสดได้แล้วไม่มีเครื่องผูกด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า ผู้ใดข้ามกามและเครื่องคลองที่ล่วงได้ยากในโลกได้แล้วผู้นั้นย่อมไม่เศร้าโศกไม่ละโม่เป็นผู้ตัดกระแสได้แล้วไม่มีเครื่องผูหนึ่งร้อยแปดสิบสี่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เธอจงทำกิเลสที่ปรารบสังขารในส่วนเบื้องต้นให้เหือดแห้งไปเครื่องกังวลที่ปรารบสังขารในส่วนภายหลังอย่าได้มีแก่เธอถ้าเธอจักไม่เถือสังขารในส่วนท่ามกลางไว้ก็จักเป็นผู้เข้าไปสงบเที่ยวไปคำว่าเธอจงทำกิเลสที่ปรารบสังขารในส่วนเบื้องต้นให้เหือดแห้งไปอธิบายว่ากิเลสเหล่าใดพึงปรารบสังขารที่เป็นอดีตเกิดขึ้น เธอจงให้กิเลสเหล่านั้นแห้งไปเหือดแห้งไปเือแห้งเหือดไปแห้งหายไปทำให้หมดพืชพันธุ์และบรรเทาทำให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกรวมความว่าเธอจงทำกิเลสที่ปรารบสังขารในส่วนเบื้องต้นให้เหือดแห้งไปอย่างนี้บ้างอีกในหนึ่งกรรมมาพิสังขารที่เป็นอดีตซึ่งไม่ให้ผลเหล่าใด เธอจงทำกรรมมาพิสังขารเหล่านั้นให้แห้งไปเหือดแห้งไปเคื่องแห้งเหือดไปแห้งหายไปทําให้หมดพืชพันธุ์และบรรเทาทําทให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกรวมความว่าเธอจงทํากิเลสที่ปรารบสังขารในส่วนเบื้องต้นให้เหือดแห้งไปอย่างนี้บ้างว่าด้วยอนาคตตรัสเรียกว่าส่วนภายหลัง คำว่าเครื่องกังวลที่ปรารบสังขารในส่วนภายหลังอย่าไม่มีแก่เธออธิบายว่าอนาคตตรัสเรียกว่าส่วนภายหลังเครื่องกังวลเหล่าใดพึงปรารบสังขารในอนาคตเกิดขึ้นได้แก่เครื่องกังวลคือราคะเครื่องกังวลคือโทสะเครื่องกังวลคือโมหะเครื่องกังวลคือมานะเครื่องกังวลคือทิชิเครื่องกังวลคือกิเลส เครื่องกังวลคือทุจริตเครื่องกังวลเหล่านี้อย่าได้มีแกเธอเพื่อเธออย่าทาให้ปรากฏอย่าให้เกิดอย่าให้เกิดขึ้นอย่าให้บังเกิดอย่าให้บังเกิดขึ้นได้แก่จงละบรรเทาทาให้หมดสิ้นไปให้ถึงความไม่มีอีกรวมความว่าเครื่องกังวลที่ปรารบสังขารในส่วนภายหลังอย่าได้มีแกเธอ คำว่าถ้าเธอจักไม่ถือสังขารในส่วน่้ำกลางไว้อธิบายว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นปัจจุบันตรัสเรียกว่าส่วน่้ำกลางเธอจักไม่ถือคือไม่ยึดไม่ถือไม่ยึดถือไม่ใยดีไม่พูดถึงไม่ชอบใจสังขารที่เป็นปัจจุบันด้วยอำนาจตัณหาด้วยอำนาจทิฏฐิคือจักละบันเทาทาให้หมดสิ้นไป ให้ถึงความไม่มีอีกซึ่งความยินดีการบ่นถึงความติดใจความถือความยึดมั่นความถือมั่นรวมความว่าถ้าเธอจักไม่ถือสังขารในส่วนถ้ำกลางไว้คำว่าก็จักเป็นผู้เข้าไปสงบเที่ยวไปอธิบายว่าชื่อว่าเป็นผู้สงบเพราะสงบราคะชื่อว่าเป็นผู้สงบเพราะสงบโทสะชื่อว่าเป็นผู้สงบคือเข้าไปสงบ สงบเย็นดับระ ง, งับได้แล้วเพราะสงบระ ง, งับเข้าไประ ง, งับสงบเย็นเผาดับปราศจากสงบระ ง, งับอกุศลภิสังขารทุกประเภทได้แล้วจากเที่ยวไปคือจากอยู่เคลื่อนไหวเป็นไปเลี้ยงชีวิตดำเนินไปยังชีวิตให้ดำเนินไปรวมความว่าก็จะเป็นผู้เข้าไปสงบเที่ยวไปด้วยเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าเธอจงทำกิเลสที่ปรารบสังขารในส่วนเบื้องต้นให้เหือดแห้งไปเครื่องกังวลที่ปรารบสังขารในส่วนภายหลังอย่าได้มีแกเธอถ้าเธอจักไม่ถือสังขารในส่วนท่ามกลางไว้ก็จักเป็นผู้เข้าไปสงบเที่ยวไปหนึ่งแสิบห้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าความชิดถือว่าเป็นของเราในนามรูป ย่อมไม่มีแก่ผู้ใดโดยประการทั้งปวงและผู้ใดไม่เศร้าโศกเพราะไม่มีความยึดถือว่าเป็นของเราผู้นั้นแหละย่อมไม่เสื่อมในโลกว่าด้วยนามรูปคำว่าโดยประการทั้งปวงในคำว่าความยึดถือว่าเป็นของเราในนามรูปย่อมไม่มีแก่ผู้ใดโดยประการทั้งปวงได้แก่ทุกสิ่งโดยอาการทั้งหมดทุกอย่างไม่เหลือ ไม่มีเหลือโดยประการทั้งปวงคำว่าโดยประการทั้งปวงนี้เป็นคำกล่าวรวมๆไว้ทั้งหมดรูปประคันสี่ชื่อว่านามมหาภูตรูปสี่และรูปที่อาศัยมหาภูตรูปสี่ชื่อว่ารูปคำว่าผู้ใดได้แก่พระอรหันตขีนาศคำว่าความยึดถือว่าเป็นของเราได้แก่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 อธิบายว่าความเถือว่าเป็นของเราในนามรูปไม่มีคือไม่มีอยู่ไม่ปรากฏหาไม่ได้แก่ผู้ใดโดยประการทั้งปวงคือความเถือว่าเป็นของเราในนามรูปผู้ใดละได้แล้วตัดขาดได้แล้วทาให้สงบได้แล้วระ ง, งับได้แล้วทาให้เกิดขึ้นไม่ได้อีกเผาด้วยไฟเคอยานแล้วรวมความว่า ความยึดถือว่าเป็นของเราในนามรูปย่อมไม่มีแก่ผู้ใดโดยประการทั้งปวงว่าด้วยผู้ไม่เศร้าโศกคาว่าและผู้ใดไม่เศ้าโศกเพราะไม่มีความยึดถือว่าเป็นของเราอธิบายว่าไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่แปรผันไปหรือเมื่อสิ่งนั้นแปรผันไปแล้วก็ไม่เศร้าโศกคือไม่เศร้าโศกไม่ลำบากไม่คร่ําครวน ไม่ตีอกเครําเพอไม่ถึงความหลงไหลว่าตาของเราแปรผันไปไม่เจ้าโศกไม่ลำบากไม่คร่องครวนไม่ตีอกรคริมเพอไม่ถึงความหลงไหลว่าหูของเราจมูกของเราลิ้นของเรากายของเรารูปของเรามูคณะของเราอาวาดของเราลาบของเราญาติและผู้ร่วมสายโลหิตของเราแปรผันไป รวมความว่าและผู้ใดไม่เศร้าโศกเพราะไม่มีความยึดถือว่าเป็นของเราอย่างนี้บ้างอีกในหนึ่งผู้ถูกทุกขเวทนาอันไม่จำรานกระทบครอบงำย่ำยีมาถึงแล้วก็ไม่เศร้าโศกคือไม่ลำบากไม่คร่าครวญไม่ตี อ, อกร่ำเพรอไม่ถึงความหลงไหลรวมความว่าและผู้ใดไม่เศร้าโศก เพราะไม่มีความยึดถือว่าเป็นของเราอย่างนี้บ้างอีกในหนึ่งผู้ถูกโรคตากระทบครอบงำถูกสัมผัสแห่งเหลือบยุงลมแดดกระทบครอบงำย่ำยีมาถึงแล้วก็ไม่เศร้าโศกคือไม่ลำบากไม่เครื่มครวญไม่ตีอ ก, อกพร่าเพรืไม่ถึงความหลงไหลรวมความว่าและผู้ใดไม่เศร้าโศกเพราะไม่มีความยึดถือว่า เป็นของเราอย่างนี้บ้างอีกในหนึ่งเมื่อนามรูปไม่มีไม่ปรากฏหาไม่ได้เพไม่เศร้าโศกคือไม่ลําบากไม่คร่ําครวญไม่ตีอกคร่ําเพ้อไม่ถึงความหลงไหลว่านามรูปได้มีแก่เราแล้วหนอะนามรูปนั้นไม่มีแก่เราหนอนามรูปเพิ่มมีแก่เราหนอเราไม่ได้นามรูปนั้นหนอรวมความว่า และผู้ใดไม่เศร้าโศเพราะไม่มีความยึดถือว่าเป็นของเราอย่างนี้บ้างว่าด้วยความเสื่อมมีแค่ผู้ยึดถือคำว่าผู้นั้นแหละย่อมไม่เสื่อมในโลกอธิบายว่าผู้ใดมีความถือความยึดมั่นความถือมั่นความติดใจความน้อมใจเชื่อรูปเวทนาสัญญาสังขารวิ ญ, ญญาณไรๆว่า สิ่งนี้ของเราหรือสิ่งนี้ของคนอื่นผู้นั้นย่อมมีความเสื่อมสมจริงดังพาสิตน้ว่าเธอเสื่อมแล้วจากรถมา้าแก้วมณีและตุ้มหูเสื่อมแล้วจากปูจพัญญาและโภกทระซับที่ยังไม่ได้ใช้สอยทั้งปวงเหตุไรเธอจึงไม่เดือดร้อนในเวลาเศร้าโศกโภกกรัซับย่อมละบุคคลไปก่อนบ้างบุคคลย่อมละพวกกรัพย์ไปก่อนบ้าง โจรราษผู้ใคร่กลามหมู่ชนผู้มีโภกกระชับเป็นผู้ไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นเราจึงไม่เจ้าโศกในเวลาเศร้าโศกดวงจันทร์ขึ้นเต็มดวงแล้วก็ลับไปดวงอาทิตย์กําจัดความมืดแล้วก็ลับไปศัตรูเอ๋ยเรารู้จักโลกธรรมแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงไม่เศร้าโศกในเวลาเศร้าโศกผู้ใดไม่มีความถือความยึดมั่นความถือมั่น ความชอบใจความน้อมใจเชื่อรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไรๆว่าสิ่งนี้ของเราหรือสิ่งนี้ของคนอื่นผู้นั้นย่อมไม่มีความเสื่อมสมจริงดังพาศิทนี้ว่าสมณะท่านยินดีหรือเราได้อะไรมาจึงยินดีเล่าผู้มีอายุถ้าอย่างนั้นท่านเศร้าโศกหรือสมณะ เราสีอะไรไปเล่าผู้มีอายุถ้าอย่างนั้นท่านทั้งไม่ยินดีและไม่เจ้าโศกหรือสมณะอย่างนั้นผู้มีอายุเป็นเวลานานหนอพวกเราจึงได้พบพิกษุผู้เป็นพรามผู้ดับกิเลสไม่ยินดีไม่มีทุกข้ามตันหาเครื่องเกี่ยวข้องในโลกรวมความว่าผู้นั้นแหลย่อมไม่เสื่อมในโลกด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า ความยึดถือว่าเป็นของเราในนามรูปย่อมไม่มีแก่ผู้ใดโดยประการทั้งปวงและผู้ใดไม่เศร้าโศกเพราะไม่มีความยึดถือว่าเป็นของเราผู้นั้นแลย่อมไม่เสื่อมในโลกหนึ่งร้อยแปสิบหพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากิเลสเครื่องกังวลว่าสิ่งนี้ของเราหรือสิ่งนี้ของคนอื่นย่อมไม่มีแก่ผู้ใด ผู้นั้นเมื่อไม่ได้ความยึดถือว่าเป็นของเราย่อมไม่เศร้าโศกว่าของของเราไม่มีคำว่าผู้ใดในคำว่ากิเลสเครื่องกังวลว่าสิ่งนี้ของเราหรือสิ่งนี้ของคนอื่นย่อมไม่มีแก่ผู้ใดได้แก่พระอรหันตขีณาศพอธิบายว่าความถือความยึดมั่นความถือมั่นความชอบใจความน้อมใจเชื่อรูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไรๆว่าสิ่งนี้ของเราหรือสิ่งนี้ของคนอื่นย่อมไม่มีคือไม่มีอยู่ไม่ปรากฏหาไม่ได้แก่พระอรหันตคีณาศใดได้แก่กิเลสเครื่องกังวล น, นั้นพระอรหันตคีนาศใดละได้แล้วตัดขาดได้แล้วทำให้สงบได้แล้วระงับได้แล้วทำให้เกิดขึ้นไม่ได้อีก เผาด้วยไฟคือยานแล้วรวมความว่ากิเลสเครื่องตรงวลว่าสิ่งนี้ของเราหรือสิ่งนี้ของคนอื่นย่อมไม่มีแก่ผู้ใดอย่างนี้บ้างว่าด้วยอิทัศปัจจยตาสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายกายนี้มิใช่ของพวกเธอทั้งมิใช่ของคนอื่นภิกษุทั้งหลาย กายนี้กรรมเก่าควบคุมไว้จิตประมวลไว้พึงเห็นว่าเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาภิกษุทั้งหลายพระอริยสาวกผู้ได้เรียนรู้แล้วย่อมมนัสการปฏิจจสมุปบาทอย่างดีโดยแยบคายในยกายนั้นว่าเพราะเหตุนี้เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้จึงดับไปคือเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวลนั้นมีได้ด้วยประการอย่างนี้เพราะอวิชชาสำ ROC ดับไปไม่เหลือสังขารจึงดับความดับแห่งกองทุกทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการอย่างนี้ รวมความว่ากิเลสเครื่องกังวลว่าสิ่งนี้ของเราหรือสิ่งนี้ของคนอื่นย่อมไม่มีแก่ผู้ใดอย่างนี้บ้างสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าโมฆะราชเธอจงพิจารณาเห็นโลกโดยความว่างเปล่าเป็นผู้มีสติทุกเมื่อพึงถอนความตามเห็นว่ามีตัวตนเสียเป็นผู้ข้ามมัจุราชเสียได้ด้วยอาการอย่างนี้ บุคคลพิจารณาโลกอยู่อย่างนี้มัจจุราชจึงไม่เห็นรวมความว่ากิเลสเครื่องกังวลว่าสิ่งนี้ของเราหรือสิ่งนี้ของคนอื่นย่อมไม่มีแค่ผู้ใดอย่างนี้บ้างสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าสิ่งใดไม่ใช่ของพวกเธอเธอทั้งหลายจงละสิ่งนั้นเสียเถิดสิ่งที่พวกเธอละได้แลวนั้นแหละจักมีเพื่อประโยชน์เลือกูล เพื่อความสุขตลอดกาลนานพิษุทั้งหลายอะไรเล่ามิใช่ของพวกเธอพิษุทั้งหลายรูปมิใช่ของพวกเธอเธอทั้งหลายจงละรูปนั้นเสียเถิดรูปที่พวกเธอละได้แล้วนั้นแหลจากมีเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขตลอดกาลนานเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมิใช่ของพวกเธอเธอทั้งหลายจงละวิญญาณนั้นเสียเถิด วิญญาณที่พวกเธอละได้แล้วนั้นแหลจจกมีเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขตลอดกาลนานภิกษุทั้งหลายพวกเธอเข้าใจความข้อนั้นว่ายอย่างไรคนพึงเอาหญ้าไม้กิ่งไม้ใบไม้ที่มีอยู่ในเชตวันวิหารนี้ไปเผาหรือจัดการไปตามรูปเรื่องพวกเธอจะพึงมมีความคิดอย่างนี้บ้างไหมว่า คนย่อมเอาพวกเราไปเผาหรือจัดการไปตามรูปเรื่องความดำริเช่นนั้นไม่มีเลยพระเจ้าข่าข้อนั้นเป็นเพราะเหตุไรเพราะนั่นไม่ใช่ตนหรือของเนื่องด้วยตนของพวกข้าพระองค์เลยพระเจ้าค่ะอย่างเดียวกันนั่นแหละภิกษุทั้งหลายสิ่งใดไม่ใช่ของพวกเธอเธอทั้งหลายจงละสิ่งนั้นเสียสิ่งที่พวกเธอละได้แล้วนั้นจกมีเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุขตลอดกาลนานพิกษุทั้งหลายอะไรเล่ามิใช่ของพวกเธอพิกษุทั้งหลายรูปมิใช่ของพวกเธอเธอทั้งหลายจงละรูปนั้นเสียเถิดรูปที่พวกเธอละได้แล้วจกมีเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขตลอดกาลนานเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมิใช่ของพวกเธอเธอทั้งหลายจงละวิญญาณนั้นเสเถิด วิญญาณที่พวกเธอละได้แล้วนั้นจะมีเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขตลอดกาลนานรวมความว่าที่เลสเครื่อนกังวลว่าสิ่งนี้ของเราหรือสิ่งนี้ของคนอื่นย่อมไม่มีแก่ผู้ใดอย่างนี้บ้างสมจริงดังพาสิทินี้ว่าขามณีภัยย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้มองเห็นความเกิดขึ้นแห่งธรรมล้วน และความสืบต่อแห่งสังขานล้วนตามเป็นจริงเมื่อใดบุคคลมองเห็นขันธโลกว่าเสมอด้วยญ่าและท่อนไม้ด้วยปัญญาเมื่อนั้นเขาย่อมไม่ปรารถนาอะไรอื่นนอกจากความไม่มีปฏิสนธิรวมความว่ากิเลสเครื่องกังวลว่าสิ่งนี้ของเราหรือสิ่งนี้ของคนอื่นย่อมไม่มีแก่ผู้ใดอย่างนี้บ้าง นางวาชิราภิกุณีได้กล่าวคำนี้กับมานผู้ชั่วช้าว่ามานเอย๋ยทิฏฐิของเจ้าเชื่อใครหนอว่าเป็นสัตว์ร่างกายที่เป็นกองแห่งสังขารล้น ล, ว น, ลวนนี้บัณฑิตจะเรียกว่าสัตว์ไม่ได้เลยเมื่อขันทั้งหลายมีอยู่สมมติว่าสัตว์ก็มีได้เหมือนเสียงพูดว่ารถย่อมมีได้เพราะการคุมกันแห่งส่วนประกอบอันหนึ่งทุกเท่านั้นเกิดขึ้น ทุกเท่านั้นดำรงอยู่และแปรผันไปนอกจากทุกไม่มีสิ่งอื่นเกิดขึ้นนอกจากทุกไม่มีอะไรอื่นดับไปเลยรวมความว่ากิเลสเครื่องกวลวงว่าสิ่งนี้ของเราหรือสิ่งนี้ของคนอื่นย่อมไม่มีแก่ผู้ใดอย่างนี้บ้างสมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าพิสุทั้งหลายอย่างนี้เองแล ภิกษุค้นหารูปตลอดคติแห่งรูปที่มีอยู่ค้นหาเวทนาสัญญาสังขารค้นหาวิญญาณตลอดคติแห่งวิญญาณที่มีอยู่เมื่อภิกษุนั้นค้นหารูปตลอดคติแห <Therefore, S 2> ่งรูปค้นหาเวทนาสัญญาสังขารค้นหาวิญญาณตลอดคติแห่งวิญญาณที่มีอยู่ความถือว่าเราของเราหรือมีเรา ของภิกษุนั้นไม่มีเลยรวมความว่ากิเลสเครื่องกังวลว่าสิ่งนี้ของเราหรือสิ่งนี้ของคนอื่นย่อมไม่มีแก่ผู้ใดอย่างนี้บ้างว่าด้วยโลกว่างท่านพระอนนท์เลือกราบทูลคํานี้กับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่ตรัสว่าโลกว่างโลกว่างข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ด้วยเหตุแค่ไหนหน้อแลจึงตรัสว่าโลกว่างอานน์เพราะโลกว่างจากตนหรือจากสิ่งที่เนื่องด้วยตนฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าโลกว่างอานน์อะไรเล่าที่ว่างจากตนหรือสิ่งที่เนื่องด้วยตนอานน์ตาว่างจากตนหรือสิ่งที่เนื่องด้วยตนรูปว่างจากขวิญญาณว่างจากขุสัมผัสว่าง คือความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นสุขก็ไม่ใช่เป็นทุกข์ก็ไม่ใช่ที่เกิดขึ้นเพราะจากขูดสัมผัสเป็นปัจจัยก็ว่างหูเสียงจมกูกกลิ่นลิ้นรสกายโพธะะใจธรรมารมมโนวิญ ญ, ญาณมโนสัมผัสก็ว่างคือความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นสุขก็ไม่ใช่เป็นทุกข์ก็ไม่ใช่ ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยก็ว่างจากตนหรือสิ่งที่เนื่องด้วยตนอานน์เพราะโลกว่างจากตนหรือสิ่งที่เนื่องด้วยตนฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าโลกว่างรวมความว่ากิเล่เครื่องกังวลว่าสิ่งนี้ของเราหรือสิ่งนี้ของคนอื่นย่อมไม่มีแก่ผู้ใดอย่างนี้บ้าง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 นี้ชื่อว่าความยึดถือว่าเป็นของเราด้วยอำนาจทิฏฐิผู้นั้นละความยึดถือว่าเป็นของเราด้วยอำนาจตัณหาได้แล้วสลัดทิ้งความยึดถือว่าเป็นของเราด้วยอำนาจทิฏฐิได้แล้วจึงไม่พบไม่ได้คือไม่สมหวังไม่ได้เฉพาะความยึดถือว่าเป็นของเรารวมความว่าผู้นั้นเมื่อไม่ได้ความยึดถือว่าเป็นของเรา คำว่าย่อมไม่เจ้าโศกว่าของของเราไม่มีอธิบายว่าไม่เจ้าโศกถึงสิ่งที่แปรผันไปแล้วหรือเมื่อสิ่งนั้นแปรผันไปแล้วย่อมไม่เจ้าโศกคือไม่เจ้าโศกไม่ลําบากไม่คร่ําครวนไม่ตีอกเพิ่มเพอไม่ถึงความหลงไหลว่าตาของเราแปรผันไปหูของเราไม่เจ้าโศกไม่ลําบากไม่คร่ําครวนไม่ตีอกเพิ่มเพอ ไม่ถึงความหลงไหลว่าผู้ร่วมสายโลหิตของเราแปรผันไปรวมความว่าย่อมไม่เศร้าโศกว่าของของเราไม่มีด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่ากิเลสเครื่องกังวลว่าสิ่งนี้ของเราหรือสิ่งนี้ของคนอื่นย่อมไม่มีแก่ผู้ใดผู้นั้นเมื่อไม่ได้ความถือว่าเป็นของเราย่อมไม่เศร้าโศกว่าของของเราไม่มี